ด้วยชางถามถึงหน้าตาดั้งเดิมก่อนที่เธอจะเกิดทั้นเสียงเย็ยนตอบไม่ได้จึงเทาตำรับตำกาทิ้งทั้งหมดแล้วติตัวไปสแสวงหาคำตอบตามลำพังคนเดียววันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังกว่าทือนอยู่นั้นก้อนกรวดก้อนหนึ่งประเด็นไปถูกลำไถ่เสียงดังแกร๊กจิตใจของท่านได้สว่างโทงขึ้นในฉับพันนี่ข้อมีความคิดเย็นครับ การเลิใจเนี่ยหูมันจะได้ยินใจเขาจับบางคนเดียวกันเสียงที่เห็นทำฟอกมันเนี่ยหูมันได้ยินหูมันจะเสียวจับหใจมันเขจับแล้วมันสัมพันธ์กันไหครับมันก็ทามันก็เสียงกันเสียงกับใจคุณแลเขาเขาดูใจคุณนะใจมันสมมติเ่องนี้นี่มันเสี้งหูนี่ใจมันเขาจับใจหอมันจงจริมันเป็นที่เสียงเสียง้ามเข้าทางออกมือเนี่ย มันเป็นประตูใจไปสื่อเพราะรู้จักโอเสียงเสียงหัวใจมันเข้าจับเสียงเข้าจับใจของหัวยใจมันรู้จักใจเราถ้าเกิดไมีมีเสียงนั้นบางทีขนาดนั้นเขาก็อาจจะไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วเพราะมันมันมัทันเป็ี่นให้มันหมดหัวจับเลยโมทันมีอันสัมผัสกับใจของเออ คนนี้เสียงตั้งนจะสารพัดเหตจัดใจเหตุก็เลยรู้จักใจรู้จักใจตัวเองจ่คนบกพร่อผู้จัดใจตรวก็ท่านเสียงเีย็นจะต้องการเจริญสตินี่จะต้องมาถึงระดับหนึ่งนะเช่นอันนั้นท่านจบรู้จักรู้จักตัวเขาพูดเรื่องใจเดี๋ยวนี้เนี่ยหลเรื่องรู้พวกจักใจขจังพูดเรื่องใจคือเนี่ยเรื่องเจริญสตินั้นการเจริญสตินี่มันก็จะมีหลายวิธีที่ เพราะว่าอะไรนทุกวิธีเขาทากันหมดจนเขาตาลำตำนาที่หมดเมันบ่ ม, บมีบ่มีวิธีที่เร้เขาแบบเบื้งใจนี่น่ะมันไม่จะเทียงมาเป็นวัตถุภายนอกเนะบัด น, นี้ถ้าาว่าเคารู้จักวัตถุภายนอกพร ม, มาทําให้ผมรู้สึกตัวนี่มีพรบ่มบนไม่ใช่ผมรู้สึกตัวอันนี้ได้ใจได้มันรู้เป็นบอกใจมันรู้ได้เป็นเขารู้สึกตัวนี่ก็ใจรู้ได้เอามาหัดตัวนี้นี่ นี่เป็นวัตถุที่จับผูกมองเห็นจับทูกด้วยมือพิกมือบนูหุ่นจับจับมือบนหุ้จับมันหู้จับนั้นม่ไม่อันใดหุ่จับเพราว่าใจวิญญาณเมืนบอกวิญญาณกับใจนี่อันเดียววัดคนเดียวกันหมดเดียวนี่ที่ทำว่าส่งความได้ไหมว่าใจกับว่าวิญญาณกับว่าเนี่ยเหมืนวิญญาณไปว่ารู้เนี่ยใจก็ไปว่ารู้นามก็ไปว่ารู้เหมือนบอกนี่แต่ก้นมันบุ่งหุจักว่า ใจไปยังไงน้องวิญญาณไปยังไงน้องรู้ไปยังนงเงิบุญเมอจากมานเจอนี่ไคปคอยออกธรรมนกโตเมื่อมีสัมผัสกันมาไม่ว่าแบบแคป เ, เดียวแล้วน่าถอนจักอันนี้นึนกถองนี้ได้ยินรู้ได้จากโควิดโควิฟังยูั้คุกจังะรานเลยว่าคนนั่งปวดที่หินควมอย่างที่นี้น ผู้องว่างเนี่ยเขฝั่มเอะเคิดแคบเลยตัดทะลุให Eller, <ๆ>้แล้วก็เลือกใจอนี้จะค่าๆจะทิ้ะเร็งฟองตกไปคขามกองเรียกันะันนั้นมันเป็นเรื่องหลอกคอเดอันนี้บูเป็นเรื่องหลอกคอเรื่องหลอกคอเกดทีว่าแม่นขึคือกันมันก็ไมู่จักบุกกันก็ไม่รู้จักนียพอบจะค่อยเนี่พอบุกเขาจะค่อีมาจบันมาเกินมีโคงเข้าใจขึ้นเลย แต่คนเดิมไม่ตอบก็ยังไม่เข้าใจยังไ่เข้าใจเลบ่เข้าใจมันก็ยืดต่อกันหลายปีหลายสาติมาแล้วว่าในปองเราเคยขัดไปจอดอยู่กับเจ๊กเราพวดอยู่กับบูจักเมื่อนั้นมันเป็นปรากฏมันหู้นจักซื่อๆนี่มันตกลงมันบูนี่บูตีกมีอย่างนี้นะเมื่อนั้น่ยมันเลยอยู่ห่างซื่อๆนี่น่ะตกลงแคขานดย่อนเพราะนู่นกางเกมขาดซ้ําห่นอยพอดีมันตกปุ๊บมันเสีย เนี่ยพอเกิดเบิ้งขึ้นโดนรูปของกระจายแรงออกทางขาเนี่ไปรู้ทันทีเนี่ยมันรู้เกิดู้ัวจับเกิดโอ้มันเป็นรูปเจีอันรูปนีเนี่ยพอเขาจับเลยแต่บุหัวจับหูจักคำบุหัวจับตังแต่จากหัวจรู้จักเติบโจะคือใจมันบุหู้วจักใจบูกัจับใจมันบุรับรูปให้มาเด็กแค่รูปงทีก็ไปเห็นรูปภาพว่าอ่ายรูปของกับมันก็บอกอันกา้รูปภาพเราหัจับอยู รูปนเขา บ, lane, บกว่าเขาจักรูรูปคนี่เขาเข้าจัว่ารูปกันเนี่ยเพเขาเ้จักอยู่หับวกเู้จักนี่มันป็นสำคัญมันบวกเข้าจักมมพอดีโอยมันเดนนี้มันบกันไปเนี่ยแม่ฟองมัตกเป๊ะมันสขาเนี่ยม่งอดเข้าจาบแม่งนอดฟองเดนกันเนี่ยตกตกลงแล้วแม่ไปเหมูกอยู่ในลูกมันแล่นมันทั่วไปโดยนแม่งนอดมันยู่ลูกมันยืนหนตัว เนื่อหู้จักลูกเขาขาดเขเป็นลูกเนง้อหัก็เป็นลูกแท้เนือหุ้จักมันเป็นลูกอันมันอันมันบูดีนะมันม่ใจตางค์นมันใจดีบูดีอันนี้มันเรื่อู้นจักเนี่ยอย่งเงี้ยคนเรื่อห้จักโกอันคนเนี่ยมันทั้งหมดเนี่มันหุ้จับเนี่ยมันใจใจคนที่จักคือมันนแล้วใจใจเนี่ยคนเรีว่าใจใจเจว่าก็ว่าใจใจมือใจเนา้อของ้จักวิธีหู้นจักวิธีทำงบหู้จับใจ ขับโบกจับใหญ่ในโบกจับนิยุนเหมือนเข้าไปเรียนถามถึงความจริงจากอาจารย์มูโจสามครั้งแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบครั้งที่สามขณะที่ท่านยุนเหมือนจะก้าวพ้นประตูห้องนั้นอาจารย์มูโจได้ปิดประตูกระแทกใจอย่างแรงทําให้ขาข้างหนึ่งของท่านยุนเหมือนหักท่านร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดและได้เข้าถึงเซมอย่างแจ่มแจ้งในขณะนั้น เฉพาเคยเปิดประตูขุนจันิวัตรเคยเห็นบอกฉันเจ้าพวงชันวัฒน์อ้ประตูนี่เปิดประตูออกไปฉันเคยเห็นบกเอกรเดียวกันในเ่างเงินเดือมันออกไปแลืวองบผู้จักโมเสสโมหุจักี่คุณสารเคยเห็นคือเคยเคยจักคุณสารบอกเคยจับคุณสารรอบรอบางทีแล้วจับประตูเปิดประตูออกไปพุน็เคยเห็นบอกเนี่ยพาะโมหจักแต่มันพ้นอไปคุณนันอย่างหุ่นจักเมื่อยู่ในท้อนี่มหุจักแตคนี้่ โอ้กฎเป็นผามันคืองนกมนคือมันก็ไม่รู้มันนี้เป็นหัวใจมันเป็นเองอย่างหลูพสอนคนมาหลพ่อบวกเคยเขากวิธีวิวาหลวกพให้แดงสันนิษฐานชื้อจบคันเู้จากประตูออกหรือเ้จากออกบมันบเคยเู้าใจนี่ซื้อนี่แต่ก่อนนะมันบวกเข้าใจพัแล้วมันมันแว๊เดียวเท่านั้นเลยซื้องคนมันพวกกินใจหลวงพาะมันวิวาจะงแดงสนหพอบวกู้จาเ พอผมกูไดกูได้ย้ำเลยสิใเรองกูดิู้้จักอันดับหนึ่งผู้จักทั่วถึงของอังกฤอย่าเราปฏว่ามสำนานเหมือนกันคอยสำนานเรื่อนคือเน้อกสอนมือเี้กัเให้แจ้งบ่างะตูมู่อ้อมประตูในประตูอยู่ให้เหมันโบอ็อกมันโบออกเคื่อนี่นะพอได้ไปจับประตูเนี่ยพอไปป๊นี่นก ขาดนเอาไว้ค้างนั้นกัดนึ่งบางคันเอามองมาโทษนนี่นี่เาอกจะบจุกบุคนคจิตมันบุกคนผมเป็นส่ตคนไดุ้กคนจิมันมันออกจากอาจะมันขาดมันเข้าสู่สภามันผมเนี่ยบอว่าเข้าสู่สภาวะมันมันบุกเขาจับมันคว่าผมเป็นไม่ได้เพียสมมติไว้มันจัวจริงเนี่ยมันใช้อามาวันต่างเป็นเพียงเรื่สมมติ สมมติวอรมอย่บนนี้่มันเอที่เตียงมันเป็นทังทั้งแไมอาจารย์มูโจยต้องกระแทกกระแท้าของลูกศิษย์ครับโบรู้จักอันหนึ่งมาได้่มานกระแทกทั้งทั้งบนลูกจีเสียดระโบลจับแล้วก็ลื่อจีให้ออกไปเลยที่บ่จีเนี้ยมันคำพูดซื่อๆนีมันที่สมมติพูดแค่อันนี้ไปเด็ดสมมติอย่างย่อพ่อเฮ็ดเดระตัวจับประตูเนี่ยดึงไว้จีจีประมันดแน่นอยตัวนี้ ลอกไปทางไปตั๊เหมือนอาไปพุกบมสิออกไปพ่นตัวแล้วบหมันมันกจิเป็นคนเดียวกันนั่เดีายวพาเข้าใจว่าจิเป็นอไรโบเปจิว่าเป็แท่ให้ขาหักโยกเปจิเป็นแค่แท้ขาตันหักในไหนขนบูมเดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหครับที่กระแทกให้ขาหักแล้วก็เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็จะได้รู้บนใจอ้แล้วกจิเจกัจิแน่ใจพวกเนี่ยกจิเป็นกันได้กัน หัวตีให้มันเจ็บนี่เนี่ยโบว์พิชิตเป็นประเทศนคราวตีให้มันเจ็บอันใดเจ็บจีวารตัวตัวคนเจ็บด้วยใจเจ็บสีวารแต่ตั้งนึงว่าหรือคิดใจเจ็บไม่คิดถาาไปตั้งหนึ่งว่าผมไม่คิดได้ผม เ, มผมเดี๋ยวที่มีหลายกลมแล้ววอร์มแต่แต่เอาวอรผมเดี๋ยวใช้เน้อ ค, คือยังหัวตี น, นะครั บ, กก บ, บรูปเจ็บบ่าโบเมล์รูปเจ็บแค่ใจมันเจ็บใจบว์้วชีวิตเนี่ยมันเจ็บอยคนตายเนี่ยเพราะเ ส, สวยไว้พอไป หังดินแล้วเอาดินกบนะมัน้องว่างายใจพืชบล็อกเอาไปจู้บใบแล้วเอาไปไปหอมหอมว่อนบอกบอกอมอนรูกเนี่ยนะว่มีประโยค์เหี่ยมันเป็นตุกตาอันนี้ัทรงไวซื้อนี่นะแล้วใจคูมันเป็นใจดวงวัดมันวัดเรื่องใจขจาวาเะื่องใจเนี่ยพอมันวัดเรื่องเรื่องรูกมันเองวเรื่องใจแต่เองขอาจจะวาเตื่องใจอเดียวมันภาษา ครับสามนี่้งงมันจักเนี่ยวัตเซนว่าเิดนี่จะพ้องมุ really is is ่งมั่นมุ่งม่นจักเีย่าจะนยมาวัตเซนว่าจะเนี่วตเซส้นนี่เส้นก็คือยางปัญญาครัะตุวปัญญาเนี่ยเขาจว่าแบบาตัวิตัวใจตัวญาณปัญญาตัวญาณเขาไปลู่นั่นเลยยเราะ่จักแต่ว่าญาณเนี่ยเขาไปรู้ตัวญาณนี่เ่ยามุงจักว่าญาณเนี่ยคว่าเอาคนอันนั้นอันนี้ส่งไปปัญญาเป็นฐานะมุ่มันจักอยู่เลยแต่มันบัก มุ้มันเป็นเนี่ยวันหยาดเลยว่าเขาไปรู้เพรเนยคือเขาไปรู้ซื่อๆดิเนาะอันใดเข้าไปเขาไปรู้เานาะ e, ให้เวทนาทำหน้าที่ของให้สัญญาทำหน้าที่ของให้สังขารทำนาที่ให้วิญญาณทรหนาที่ขอโตมันเองทาหน้าที่ของมันเองมันก็รูซิคนนี่มันบรูนี่เดี๋ยวจริง็นคนจะมาคนกันยอะที่มันอย่างพอดีหาวิมีรืองผมเป็นคนม น, คน ม, มันวายมันมีอีบาทีว่านีย บอลให้คนรักเนาะคนบุงคนจะคนได้ยินเคยถามเคยเคยว่าห้อาจารย์ว่าถามอาจารย์ต่างๆด้วยให้พูดเบาว่าคนนี้พ็กเด็กบอกมาเ้านะก็ถามเรื่องนี้หมด่ว่าน้มันบอกกันมาตั้แว่าวันสันนี้มันบุกมุ่งจันขาดปัญญาที่ขาดคนเข็ดแจ้งเนาะยวงตอบเขาไม่ได้หลวงพ่อเนี่คัดตัวเ็แจ้นขาครันญา เรื่องเรื่องปัญญากระจิวาเ น, นี่ยคนเนี่ยหมายถึงบุคคลผู้มีปัญญาให้ซื้อเสียงเรียงนามาสสิกวคนอย่างให้ผู้จักวอกคนคนหาว่าถ่วงคนนี้อยู่นี่ ว, ว่าโทษนี้กระจิวู้จักวอาคนผู้มีปัญญาหลว่อเลิกแล้วเป็นไปได้นะครับที่อาจารย์สอนธรรมะเนี่ยจะปิดประตูตจะแทกให้ลูกศิษย์ขาครับเนี่นจะจะัดกันการโกรธได้หรือเปล่าหลวพ่อว่าแน่นโมเมน นี่ที่เตียมปิดประตูแล This This ้วในจิตเฮ็ดให้ออกประตูท่านนี่คือซือนี่น่ะทางออกประตูคือคือเนี่ยยี่เอาลูกเข้ามาจิตมาตีแทงตีขายถางเดี่ยวออคือว่าจิบูมีมีที่จิตเคียร์จิตดีจิตหายจิตดุจิตดัออกประตูนี่นะจิตเอานั้นอาชีเป็นเจ้าบอได้เฮ็ดถาหลุนเฮ็ดด้วยให้เกิดปัญญาซื้อเฮ็ดสถาทางออกคือคือให้สมมุตด มึงออกจากประตนูนี่บบได้มึงก็ตายซะทันทีว่าแปมึงือบางอจมต้องหาทางออกมจีเดทางีเลยมานทีว่าแต่คนมันผทีว่ารื่องมันจริงเข้ามาแล้วพยายามตีขาหักแทงหักขาห้าเจ็บปวดที่บ้านอย่างอบอุ่นอบอุ่นเร็่องตีเล็กๆน้อยๆได้อาจจะตีได้เืออย่างนันว่าเขาไม่ตีหลังนี่มันจะมาเวรลัง ไม่ตีกินน้ําอาคตทรมานกันติดๆมีทรมาน้กินอันนี้แก้งแ t ้ๆาหัรือว่าโบมีนบอกว่าแ้งไม่ใช่โมันเสียองค์ข้าเลยขาหักเลยหมดอันนี้ใช่อย่าพออย่างบิดติดเทว่าเดี๋ยให้ออกประตูไอย่างเอาลอกประตูนี่ออกไปอย่างนี้นะันีอย่าว่าต้องจาได้แล้วอย่างพ่ออย่างพ่อเคยให้ดูจักเเพือเลย หลายเดือนหลายเดือนแอันนีต้นเนี่ยมันหมดขมวาเลยได้เนยขนตากระเนี้ยให้จับเทือกันตาใมันมันหมดขมสดไลยได้หมดขมสดนะอ๋อท่านนี้บไชอายมันกำมาวาวเรื่งใจพุเอนี้เปนอน้องที่กมาเ็วัตถคือันตกคนที่กมาจะเวัตถนคนใจมันมันได้เกี่ยวในอนมันอันทีเท้าขาตั้ง ดึงเข้ามาขานึงให้เอาออกไว้ขาหนึ่งเมบรครับเนียแล้วก็ให้มือขาอักหนึ่งใขา น, นึ่งยันคือว่าพอมาจากขาหนึ่งคืออย่างแบบพอวาวไ่อพอดีใครปฏิบัติเรียบบนนู้กครั้งนอกข้างไหนเป็นทางใดเอันนี้หนก็ยังเข้าใจไปคือจะขัดอย่างบอ ว, า ว, ว, าว่าด้วยใจที่เพ่งอยู่เฉพาะแต่ทางหลุดพ้นมิยามโมงตะมูสาชิได้เข้าถึงทางแห็นเซนในขณะปมด้านซามูไรเหมือนกายชา้ชา ในวงล้อมของสักตรูที่มึงจะผลาญชีวิตท่านทัานหมุนไปครบรอบวงกลมท่านก็ได้สว่างโถงขึ้นอันนี้นยอยากพาเตือนกตัวผมจากโอ้จากความหมายด้วยใจที่เพ่งอยู่พระใจอะไรบ้างใช่คือคือเขาหมุนตัวเขานะเขาหมุนตัวว่าเอาดาบหมุนตัวในหมอกว่าเอาดาบหมุนตัวรอบตัวเ ข, ขาลุกจากใครก็คือตัวปัญญาเขานอบตัว คือเขารู้จักการเคลื่อนไหวหลักกายกของกายของรูปนี้แล้วก็รู้จักว่าจิตใจของมันมุนไปยังนั้นจิตใจมันหมุนไปยังไงมันรูจน้จักพอดีรอบตัวเรามีคนามสว่างนะโอ้เรื่องจิตใจมันจริงหรือเปล่าเนี้ยก็เห็นคนนึงเห็นคนเป็นคนนึงนะโอ้เป็นคนเรื่องจรที่จิตใจแต่ว่าผผิดกันกันกบทําเอาคนมันหาขึ้นมาเนี่ย ปุณิหมายถึงมาให้มีสตริรอตัวงการเคลื่อไนไหวปุณิแน่บ่อยออกประตูไปซือ ส, สองครับนี่ครเดียวแล้วขณะที่เขากำลังต่อสู้สู้รบบสับจูเนี่ย เ, เขารู้ทำมาขึ้นมาได้นับกระทำเองก็ได้เพราะว่ามันมีมันมีสติเรื่องผลมันมีผมรู้สึกตัวเดรยวอง เนื้อเขาจิต่อสู้กับสัตรูนะจริงๆบุริจิตต่อสู้กับสัตรูความโกลาญอยู่ในใจของเขาคนรู้จักมันเกียวกับพูลนแดงบางทีเขาที่มีความโกลายผลอื่นเกิดปฏิกิริยาขึ้นต่อสู้กับผลอื่นก็ได้บางทีเขาคิดว่าจะต่อสู้กับปฏิกิริยาเรื่องความติตาเลสาาจิตใจวั่นไหวของเขาก็ได ม, ม, มันมันมันในสองความสองแง่องมบางทีถ้าเขาเขามีควา ม, มทุกข์มาจากไห ศัตรูมาอย่างไรใครน่ทาทาให้เราเดือดร้อนมันบางทีเขาคิดอย่างที่บอกอาจเป็นศัตรูได้ได้บางทีจะเป็นเอาดาวฟันก็อยู่ข้างนอกก็ยังเป็นศัตรูได้กันแต่ถ้าเราเราไปคิดเป็นศัตรูข้างนอกด้านเดียวก็ได้แต่ด้านเดียวถ้าเขาคิดทางสองมุมคิดทางด้านนอกด้านในก็แบเป็นการเจริญเตินมันอันนั้นเอาวัตถุหมาวอกซื้อเที่ยวโวมจริงเขาจิตต่อผู้กับตัดิดนิยามหลักการนของภายในจิตใจว่า ที่มันตะกุบตะกุมมา ไ, ได้คัทคัทไ า, ายในกระบวเี่ยจ เ, เป็นตดนตูดตู้ไผนั้นอันนั้นก็นสามารถจะดูได้กานเตะตูเป็นหลักเต่เมื่อมาเอาตู้ตีนเป็นไ่มันจะเป็นไปได้ไหมฮะว่าเขาเห็นศัตรูทั้งภยังภยนอกับภายนั้นก็เห็นได้ที่แลวขณะที่เขากาลังสู้รบหรือว่าตื่นตัวอยู่นั้น น, ะนันะเขาเขาสามารถดูทำนาของได้ชนสามารูเล็กนัน อันตรายเนี่ยอันตรายก็คือวมันมีอันตรายทางวัตุภายนอกอันตรายทางวัตถคือศึกษาในห้อยึดตัดสินว่าเป็นเจ้ภายนอกกันเดียวกับบนแหนมนี่ขาบนได้เห็นผลถ้าหองได้ลมกันว่าพูดเรื่องจิตใจหรือพูดเรื่องเป็นวัตถุหรเาได้ถ่างอะไรดิคูดเรื่องจิตใจจะพูดถึงวัตถุให้คนได้ได้รู้จักทั้งสองแง่สองมด้กันเขาจะเป็นทางมัตถุจิตใจ